กรรมจำแนกสัตว์เลวดีอยู่ที่พฤติกรรมเช่นพฤติกรรมของทุกคนที่แสดงออกมาทางร่างกายอย่างที่เราเห็นอยู่คนนี้ทำดีทำไม่ดีนี่คือการแสดงเจตนามาจากภายในส่วนลึกก็คือมาจากจิตใจและการแสดงออก ทางวาจาก็เหมือนกับเป็นการบอกเป็นการแสดงฉะนั้นเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังมีการแยกออกมาอีกเป็นส่วนๆที่เราพูดกันว่าวจีกรรม4ีมโนกรรมสามกายกรรมสาม ก็คือกายของเราเนี่ยถ้าไม่มีศีลพอเราเอาชั้นศีลเข้ามาถ้าร่างกายไม่มีศีลมันก็สิน้นสวยไม่สวยวาจาไม่มีศีลก็ไม่งามไม่งามใจที่ไม่มีมโนธรรมคุณธรรมอยู่ ใจนั้นไม่ปกกติหรือปกติฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่แสดงและสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความสำรวมระมัดระวังเรื่องของกายวาจาใจนี่เป็น ต้นเหตุของการนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อขัดเราไม่ใช่เพื่อตามใจเพื่อขัดเราที่เราเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาขัดเรากายวัจจาละก็ใจขัดอย่างอื่นไม่ชื่อว่า รักษาศีลไม่ใช่ว่ารักษาธรรมไม่ใช่ว่ารักษาใจฉะนั้นใครก็ตามที่บอกเป็นนักปฏิบัติประพุทธรรมสำคัญอยู่ที่จิต น, นิค้อนถ้าคิดผิดมัวหมอ ง, มองไม่ผ่องใสใ น, นิคอนถ้าคิดถูกผุดพอง ไม่มองใจตั้งสติไว้ควบคุมจิตไม่ผิดธรรมฉันเราจะมาลงตรงว่าควบคุมจิตไม่ผิดธรรมเหมือนขี่มา้าเราต้องคุมบางเขียนไม่อย่างนั้นตกหน้าผาตาย ไม่ได้หรือเร่งฝีเท้าด้วยความเร็วแต่เราไม่ระมัดระวังมันก็พลังพลาดได้แล้วก็เจ็บเช่นอาการของคนที่เจ็บปวดทุกทรมานอยู่ทุกวันนี้ก็เริ่มจากหนึ่งมโนทุ จ, จริตต่อด้วยวจีทุจริตแล้วก็ กายทุจริตทีนี้สิ่งที่ตามมาเอาเป็นภาพรวมๆนะอุบกิเลตคือโทษเครื่องเศร้าหมองเห็นหถ้าเราไม่ครบในศีลในธรรมะในสมาธิหรือในปัญญานะอุบกิเลตเนี่ยคือความเศร้าหมองเป็นเครื่องเศร้าหมอง ฉันเรามาวัดกันดูว่าจิตใจของเราบัดนี้ที่เรียกว่าผู้ประพฤติ ธ, ธรรมว่าสำคัญอยู่ที่จิตตอนนี้ต้องถามว่าความละโมบโลภมากการเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นนี่มันเกิดจากใจตัวนี้ตัวมโน ตะบอกสํารวมกายวาจาใจถ้าใจของเราไปเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นที่เป็นความโลภโดยที่ไม่ถูกต้องนอนหลับไหมคืนนี้ไม่หลับจิตใจสงบไหมไม่สงบเป็นปกติไหมไม่เป็น เพราะอะไรเพราะมีอภิชาเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นนี่เป็นมโนโที่ไม่ดีไม่ว่าอยากได้อะไรเป็นมโนทุจริตไม่ใช่สุจริตพอไม่สุจริตมันจะคดสังเกตดูนะใจมันคดโค้งไปอ้อมไป เลี้ยวไปเลี้ยวมาเพื่อหาอุบายหาวิธีหารูปแบบแล้วก็สร้างเพทุบายเล่เหลี่ยมลวงหลอกหลอกลวงทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาในภาวะแห่งจิตที่ไม่ปกติ ไม่สงบทำฌานก็ไม่เกิดจเจริญในกุศลธรรมกุศลธรรมไม่เกิดจะทําให้ศีลของเราไม่ด่างพร้อยก็ไม่ได้เพราะยังคิดเบียดเบียนผู้อื่นแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นมโนอยู่ในขั้นใจก่อนพอมันมากมาก มากและก็มากแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอไม่มีสติก็ไม่มีการตัดอารมณ์ตัดความโลภสุดท้ายเหมือนฝนตกที่ไม่หยุดน้ำก็บ่าท่วมแล้วก็ล้นล้นตะหลงก็แสดงว่าล้นใจ พอล้นใจทีนี้มันต้องมีการแสดงออกบุคคลที่จะต้องทำงานต่อก็คือการกระทําอาจจะเป็นวาจาพูดเพื่อล่อลวงแล้วอาจจะจัดฉากจนถึงสุดท้ายอาจจะลงมือ ปฏิบัติการขั้นสุดท้ายอย่างหยาบลงมือประทุษร้ายทำลายล้างนี่คือไม่ใช่วิสัยของผู้ภาวนาบำเพญ็ญปฏิบัติและรักษาศีลดันั้นเราสามารถวัดได้ วัดได้ว่าใจเราหยาบขนาดแบบอย่างหนาอย่างกลางหรือแบบละเอียดถ้าละเอียดคือมันขมไว้นะคือมันมีแต่มันขมแล้วมันขมไปเคยได้ยินไหมมักขะขมใจเราเราขมใจขมไว้ แต่ข้างในลึกๆแบบแว บ, บฟ้ารองฟ้าแลบเห็นแพรบโถตัวกูโผล่เหมือนน้ำลดต่อโผล่พอน้ำมากต่อหายจริงๆมันไม่ได้หายไม่ได้โผล่หรอกมันอยู่เพียงแต่ว่าโอกาสมัน ได้แสดงเมื่อไร่มันก็โผล่พอไม่แสดงก็ดูเหมือนว่ามันจมหายไปตัมมามบอกว่ากระจกที่น่ากลัวที่สุดคือสายฟ้าน่ากลัวมันเหมือนสะเทือนเข้าไปถึงข้างในเวลาฟ้าร้องฟ้าคำรามฟ้าผ่าทีนะคนที่มีาบาปกลัวนะ โดยเฉพาะกลัวถูกผ่าตายด้วยคือยังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมบางคนเอาปืนมาขู่ไม่กลัวนะแต่เจอฟ้าเนี่ยเสร็จทุกรายกลัวมันห่วงเหวแห่งจิตสำนึกเหมือนถูกปลุกให้เห็นกรรมที่ตนสร้างและก็ทับ น่ากลัวนะที่จะมาพูดตรงนี้ตามาก็เห็นเหมือนกันโยมก็เห็นเห็นเห็นใจตัวเองว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นอำพรางสิ่งที่เราทำไปโดยเฉพาะเรื่องของบาปและอกุศลกรรม มันโผรแต่เมื่อไรจิตของเราปกติอุศลจิตเต็มเปลี่ยมวันนั้นไม่ตกใจไม่กลัวไม่สะดุ้งไม่ผวาแล้วก็ไม่ขอร้องต่อความตายไม่ขอร้องบางครั้งพวกเราอยากตายแต่บางโอกาสไม่อยากตายมันมีหลายอารมณ์ มีหลายแบบบางทีก็เฉยๆสิ่งสำคัญมันดูแลรักษาจิตถ้าเราเรารักษาได้จิตที่เกลี้ยวนะจิตที่เกลี่ยกราดก็ไม่จิตที่เคยร้ายกาดไ ม, ไมด่ไม่ร้ายกาศไม่ร้ายกาศยัง เรามีโทสะจริงๆโทสะไม่ใช่เกิดอยู่ที่แขนขาไม่ใช่ไม่ใช่เกิดอยู่ที่เพียงแววตาแต่แววตาเป็นหน้าตาางแสดงออกมาจากห้วงลึกคือใจฉันระวังคำว่าโกธะไอโทสะความร้าย เคยได้ยินใช่ั้ยช่างร้ายเลือกเกินเขบอกคนอะไระไร้ความปราณีเอาเวลามันไร้กาดขึ้นมาเนี่ยนะไม่ปราณีโหดชั่วหรือว่าโฉดโฉดชั่วก็ได้มันทำได้ทุกอย่างแม้เอามาหัน เป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นหรือทำให้ผู้อื่นต้องทุกข์ทรมานยังรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าสะใจมันไม่ใช่หลักของการเจริญภาวนาไม่ใช่จิตอย่างนี้ไม่ใช่ให้หลับตาอยู่ครึ่งศตวรรษมันก็ไม่ใช่ ไม่ใช่โทษความร้ายกาศมันจะเฉือนใจเองแล้วก็บาดจิตที่ดีไปไม่ได้ฉะนั้นเรานะต้องมาสำรวจแล้วก็ตรวจราดูจิตของเราเองยังเป็นไหมถ้ายังมีจิตชั่วโฉดโหดร้าย เบียดเบียนทำลายห้ำหันไม่ใช่แล้วถ้านั่งหลับตาลืมตาได้แล้วมันไปอยู่ในนรกแล้วมันไม่ใช่ไปสุคตินำไปทุกคติไม่ใช่ทางลืมตามองให้มันเห็นว่าจิตเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรตัวกูเป็นอย่างไร ดูนั่นแหละจริงใช่คาว่ามันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นโทษเครื่องเศร้าหมองใจมันก็ขุนขุนกุศลไม่เจริญแต่อกุศลเนี่ยเจริญยิ่งเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคนมีโกตะก็เหมือนกันก็คือกโกรธ ความโกรธเนี่ยมันเผาใจร้อนใจแล้วก็ทุกข์ใจฉะนั้นผู้ที่ภาวนาอยู่คำว่าโกรธเนี่ยต้องกำหนดเอาความโกรธมานั่งทำฌานไม่เกิดเอามาเจริญวิปัสสนาไม่เกิดเอามารักษาศีลก็ไม่เกิดมันทำลายหมดเลยทำลายหมด ชั้นเสื่อมเลยนะแต่มาบอกเลยให้ทำมันสักกี่ปีก็ตามเพราะโกรธคำเดียวหมดเพราะมันเป็นโทษของใจแล้วฉะนั้นพวกเราภาวนาเพื่องดโทษเพื่ออดโทษใจตรงนี้ต้องอดโทษงดโทษแล้วก็ต้องทนโทษ ไม่อย่างนั้นเราก็คือนักโทษที่ยังถูกอกุศลครอบงับแต่ยิ่งศึกษายิ่งภาวนายิ่งกำหนดแล้วเรารู้เรารู้ว่าจิตของเราไปไหนวันนี้ตั้งอยู่ด้วยสุขคติหรือตั้งอยู่ด้วยทุกขคติไม่ต้องมกไม่ต้องมีใครมาบอก เราดูอยู่เราเห็นอยู่เราเพ่งอยู่เราพินิษพิจารณาอยู่โดยเฉพาะจิตที่ไม่ส่งออกจนมากเกินที่เราจะดูแลคุ้มครองป้องกัน ร, รักษาจิตสังเกตแต่ว่าใครที่ปล่อยจิตมากมันก็เหมือนว่าวเชือกขาดถามว่าว่ามันไปที่ไหนไม่ได้ แล้วแต่ลมอ้าวพูดอย่างนี้เสร็จเรือไม่มีหางเสือทําไปไหนติดเครื่องแล้วทัดทัดทัดทัดทั ด, ท ด, ทดไปไหนบอไม่รู้อ้าวไปทําไมอะไปทําไมมันไม่มีทิศทางที่จะไปมันไม่มีมรรคผลที่จะเดินจิตดวงนี้มันจะไปไหนอย่างดีก็ไปสู่ทุกขติอบายภูมิ มันก็ไม่ใช่ทางที่เราจะไปสิ่งสำคัญจุดนี้และโดยเฉพาะบางคนไม่รู้นะว่าโกรธแต่สิบปีห้าปีไปแล้วยังผูกใจอยู่ไม่ใช่โกรธธรรมดาไม่ใช่โกรธธรรมดาพยาบาทด้วยโดยไม่รู้ฉะนั้นต้องเจริญสติให้มาก ต้องมีต้องมีธรรมะคือข่มนิสัยไปจริงจใหม่ๆหม่ทุกคนก็มีแต่ว่าเราจะต้องละสิ่งที่เป็น้าสกจันใจของใครที่ยังหิ้วอดีตมานั่งอยู่ถึงบัดนี้นะไม่ใช่แล้วภาวนาไม่เป็นแล้วภาวนายึดอดีตไม่ใช่ ภาวนาเพอ้อฝันไปในอนาคตไม่ใช่ภาวนารู้ตื่นอยู่ปัจจุบันและก็ละความยึดติดมันหมายความทะเยอทะยานที่มันเพอ้อฝันหรือมันฝันไปไงี้ไม่ใช่หรืออยู่กับนิมิตมันก็ไม่ใช่บางคนภาวนาอยู่กับนิมิตไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปัญญาทุกทักเองหมด มันโคถึกตาบอดเดินไปก็บอกท้องผ้าแจ่มใสเห็นรวงข้าวออกกำลังเดินจะไปกินรวงข้าวไม่มีอ่ะมีแต่หน้าผาตายนั่นเองไม่ใช่แล้วยิ่งรู้เท่าไหร่ก็เออสติก็ตามมาทาก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละอดีตก็ปล่อยวาง อนาคตก็รู้ปัจจุบันก็ไม่มั่นหมายอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาเป็นไม่ใช่นั่งท่องไม่ใช่นั่งหลับตายึดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีเรื่องให้ยึดทุกวันแล้วบอกฉันนั่งภาวนาจิตไม่ใช่ นั่งผูกจิตมากกว่านี่คือโทษเครื่องเศร้าหมองต้องระวังกันต้องระวังและตัวเราเองบางทีก็ยังดูเหมือนว่ามานะเราไม่รู้ว่ามานะแข่งดีหัว oh, ด oh, oh ื้อโอ้อวดลบหลู่คุณท่านเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ธรรมะมันไม่มีอย่างนี้ธรรมะอยู่อีกฝากหนึ่งก็คือตรงกันข้ามหนึ่งจากถือตัวก็กลายมาเป็นถ่อมตนจากแข่งดีมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรจะต้องมามาแย่งชิงความดีมีแต่ว่าเราอนุโมทนากับผู้ที่เขาจเจริญกุศลดี คนที่เขาทำดีเออเราโมทนาด้วยนะสาธุมันต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเราเองจะชิบหายเสียเพราะบุคคลถ้าเขามีบุญกว่าเราเราไปสนุกเราไปคนนองเราไปเล่นเราไปทึกทักเองเนี่ยนรกจะกินหัวไม่ได้ แล้วผู้ที่เขามีศีลกว่าเราโอ้ยกำหนักเลยดูมันเหมือนของเย็นนะแต่จริงๆไม่ใช่มันยิ่งกว่าต้องระวังความประพฤติของของตัวเราด้วยบางคนก็โอ้อวดแต่มาบอกของดีไม่ต้องโอ้อวดของดีมันอวดอยู่แล้ว คนหน้าตาดีไม่ต้องบอกว่าสวยหุ่นดีไม่ต้องบอกว่าหุ่นดีมันบอกอยู่แล้วเสียงดีไม่ต้องบอกว่าเสียงดีมันมันบอกอยู่แล้วมันบอกลักษณะมันบอกบุคลิกบอกรูปโฉมเนะี่ยมันบอกแต่คนไม่เข้าใจก็แหมพอเห็นใครที่จะดู ดีหน่อยก็แหมเราก็มีดีก็รีบรีบสารภาพ add, add, ว่าฉันเป็นคนดีพูดทําไมรีบบอกฉันเป็นคนฉลาดพูดทําไมรีบบอกฉันเป็นคนขยันเนี่ยพูดทําไมรีบบอกฉันเป็นคนสะอาดไม่ต้องพูดหลอกไม่ต้องบอกว่าฉันรวยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก เขาดูการเป็นอยู่การใช้ทรัพย์ทุกอย่างมันฟ้องเองมันบอกหมดฉะนั้นคนไม่เข้าใจก็พยายามถือตัวเองชั้นราคาแพงนะไม่ต้องบอกเขาหรอกอยู่ไม่ต้องบอกเพชรผ่านการเจรไนามาอย่างดีเนี่ยพออยู่ในตู้โชว์แล้วเนี่ย เขาเพิ่มแสงขึ้อีกโอ้โหสถานที่เขาก็วางไว้อย่างดีบดเนี่ยคนมองก็รู้แล้วว่ามันหลายเงินแน่อยากจได้ก็ต้องทุ่มเทหน่อยทุ่มเทหน่อยนั่นก็ผ่านการเจรันแล้วแล้วถูกยกเข้าไปแต่เวลาคนใดเสนอตัวเข้าไปเองนะแม่ บดโหลดอย่างดีก็ห้าบาทเห็นไหมอย่างดีก็หบาทมันเคยมีอยู่เพลงฉะนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การยกยอปอปั้นตัวเองไม่ใช่ถือตัวเองไม่ได้เดินขยเงเท้าขึ้นมาเองแล้วบอกฉันสูงนะคนก็มองอยู่เดี๋ยวมันก็ล้มไอ้นี่ ฉันสูงนะคนก็มองอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เจ็บจริงๆเลยเดินไม่ถึงครึ่งวันมันก็เตี้ยลงมาเหมือนเดิมแสงว่าตนไม่รู้ประมาณตนเองตนไม่ได้เห็นตัวเองแล้วว่าเงามันขนาดไหนมันก็มีนิทานเรื่องหนึ่งนะมาป่า ไปเห็นเงาตัวเองโอ้โหเราตัวใหญ่ขนาดนี้เลยหรือพอเห็นเงาตัวเองก็หืมใจนี้ลำพองขึ้นมาเลยเราไม่กลัวใครอีกแล้วในป่านนี้เราใหญ่เชื่อไม่มี โ, โหเงาพอกระทบแสงตะวันก็โอโ้เงาใหญ่มากไปท้าราชสีเลยเราเคยกลัวมานานแล้ว บัดนี้เราเพิ่งเห็นว่าเรานั้นใหญ่มากเหเห็นไหมไปถึงเฮ้ยราชสีเองขดหัวอยู่ที่ไหนขดหางอยู่ที่ไหนแน่จริงออกมาฟัดกันสิน่มาป่าเนี่ยนะเป็ท้าราชสีราชสีกับกำรามก่อนชักหนาวมันเรื่องอะไรไอหมาป่าขี่โกงสุนัข มันไม่รู้ตัวเองเลยราชสีบอกเจ้ามากวนข้าทำไมบอกข้าอยากจะท้าดวนพูดใหม่สิข้าอยากจะท้าดว น, ดหดวนเห็นไหมข้าใหญ่ขนาดไหนดูสิดูดูดูเงาข้าสิเห็นไม้มราชสีก็มองมันหาเรื่องแท้ๆเลยเราไม่กลัวเจ้าหรอก มาสู้กับเราสิมาปาทาเห็นไหมโยงแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นมิจฉาแล้วอ่ะภัยอยู่เบื้องหน้าอย่างคิดว่าเรากำชัยอยู่ไม่ใช่เราหลงไปเองเราคิดไปเองเราทึกทักไปเองเพียงแค่เงาเนี่ยนะไม่ใช่บางคนเพียงแค่ความคิด หรือเพียงแค่อารมณ์จิตเนี่ยนะโอ้โหไปจะ8แปดสอกแปดวาเลยจริงๆมันไม่ใช่หากเพียงหนึ่งสอกหนึ่งวาก็ได้โอ้แต่งเงาไปแปดสอกแปดวาโยมไปยินดูดิเดี๋ยวไปท้ายักษ์สู้กันเลยก็ได้ดีไม่ดีนึกว่าเราใหญ่กว่าภูเขาก็ได้จริงๆไม่ใช่ ไอความถือตัวความแข่งดีความหัวดือ้อความโอ้อวดนี่คือโทษนะเป็นเครื่องเศร้าหมองแล้วสิ่งนี้มันจะกลับมาฆ่าตัวเองซึ่งเราทำตัวเองแล้วเราจะไปโทษใครและมีนำซ้ำอีกนะเกิดความพยอง เป็นอติมา น, นะคือดูมิ่นดูมินท่านอีกโอ้ไปใหญ่ละก็ดูเหมือนเรื่องนี้ก็มีพระเทวทัตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฉากตอนที่ทูลขอพระพุทธเจ้าเรื่องให้อยู่ใต้โคนไม้ตลอดชีวิตไม่ให้เข้าไปในบ้านตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าบอกเทวทัตเรามิได้ตรัสบัญญัต แต่ถ้าเธอทำได้เธอจงทำเธอโอ้โหเทวทัตออกไปเปล่าประกาศเลยพระพุทธเจ้าเราน้ย่อยอนสู้ตนไม่ได้ตนขอให้ประพฤติเช่นนี้ไม่ยอมไม่บัญญัติขึ้นก็ไปป่าประกาศคนที่รู้เท่าไม่ถึงการก็เออ อ, อตามนะโอ้พระแตกกัเป็นสองฝ่ายเลย เกิดอนันตริยกับเทวทัน์สร้างกรรหนักนะอนันตริยกับเกิดสังขเภทพระแตกเป็นสองณเวลานั้นผู้ที่ยังไม่ศึกษาพระธรรมวิ น, นัยผู้ยังไม่มั่นคงต่อพระธรรมวิ น, นัยพอฟังพระเทวทัตไปโฆษณาเข้าหลงเชื่อโอ้ว่าตนนี้ เอาเคร่งเลกันเคร่งครัดมากพระพุทธเจ้าเรานี้ย่อหย่อนอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เทวทัตเดือดร้อนเองสุดท้ายก็เป็นได้ไม่กี่วังนะเป็นได้ไม่กี่วันเพราะนั่นไม่ใช่ผู้หมดกิเลสแต่ทำด้วยมานะอติมานะ แล้วก็ดูหมิดพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรก็ไปไปแสดงรมพระที่ได้ฟังก็หูตาสว่างปรากฏว่ากลับหมดก็เหลือแค่สาวกของเทวทัตเพียงไม่กี่รูปที่รอการตกนรกหรือจมสู่ธรณี ก็อักเป็นเลือดเป็นลิ่มออกมาเลยพอรู้ว่าพระกลับโอต้องการชนะชนะความว่างเปล่านะไม่มีหรอกตอมาไม่เคยเห็นว่าใครชนะความบริสุทธิ์ใครชนะความเป็นอิสระไม่มีใครชนะความว่างเปล่าตมาไม่เห็นสามข้อนี้ 1. พระพุทธเจ้าจิตเป็นอนัตตาแล้วสองพระพุทธเจ้าเป็นมุนีผู้สงบแล้วอิสระจากกิเลสแล้วไม่มีใครชนะได้เลยไม่มีและสพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเคยได้ยินไหมคนนี้ชนะความบริสุทธิ์ชนะ ความเป็นิสระชนะความบ้างเปล่าไม่มีถ้ากระแสนี้มีเสมอกันหรือมีเหมือนกันก็คือนิพพานก็จิตนั้นดับมันไม่มีว่าแพ้หรือเสมอหรือชนะเห็นไหมเพราะสิ่งนี้อยู่เหนือสมมุติ บัญญัติแต่เทวทัตยังติดอยู่ด้วยสมมติบัญญัติสุดท้ายสิ่งนี้ก็ฆ่าและคฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าตัวเองเกิดธรรมะความมัวเมาความมัวเมาความเมามัวในการบวชบวชเพื่ออะไรที่สุดเทวทัต์ลงทางแล้วความประมาท เลเลอประมาทะประมาทแล้วเทวทัตผิดพลาดจมชีวิตตัวเองลงสู่นรกอเวจีมหานารกซึ่งไม่มีใครเป็นทำลายเทวทัตแต่เทวทัตทําลายตัวเองแล้วก็ทําร้ายตัวเองด้วยนะเบียดเบียนตัวเองสร้างความทุกข์ให้ตัวเองและยังสร้าง ความโอลมานให้กับเหล่าอริยสาวกและยังต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นไปขวางกั้นคนอื่นอีกคนที่อินทรียบารมีไม่แก่พอไปหลงเชื่อพลอยติดแหไปด้วยมันไม่ได้อะไรไม่ได้อะไร มัทะความมัวเมามันไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่เคยมีใครได้ด้วยโยมก็ไม่ได้อาัมาก็ไม่ได้พระเทวทัตก็ไม่ได้แต่พระเทวทัตได้ตอนจบธรณีสูบจะจมอยู่แล้วนะแต่เจตนาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อสํานึก คำเดียวมั น, นอรสุจริตเกิดในระหว่างจิตที่กําลังตกนรกสำนึกว่าเราเป็นผู้กระทำร้ายต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยทำร้ายเราเลยมีแต่เราฝ่ายเดียวเท่านั้นแหละขอพระองค์ได้อโหสิ แก่ข่าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าประทานพรยกโทษให้เธอเป็นผู้ไม่มีโทษแต่กรรมของเธอมีผลเราไม่มีโทษแต่เธอกรรมของเธอมีผลเราไม่มีโทษแต่เธอแต่กรรมของเธอเองมีผลหยงฟังดิความบริสุทธิ์ไม่ทํำลายใคร ความเป็นอิสระไม่เคยทำลายใครและความไม่มีตัวตนก็ไม่เคยทำลายใครสิ่งนี้จึงไม่มีใครทำลายได้เหมือนกันอนุภาพสูงสุดตมามเห็นของพระอาหารหันต์มีอยู่สามอย่างตรงนี้นอกเหนือกว่านั้น อ, นอนุภาพสูงสุดคือปัญญาแต่อาวุธของท่านทั้งหมดหนึ่งอิสระสองบริสุทธิ์สามจิตที่ว่างเปล่าจากกิเลส ทุกลอลอมทุกอย่างมาเกิดเป็นว่าปัญญาวิมุตต์สุดยอดของเราได้แค่สมุติสมมตินะวันนี้อย่างนี้สมมติไปเรื่อยๆแต่สมมติทำไมจึงใช่ว่าปัญญาสมุติเพราะปัญญาสมมติไม่พ้นทุกแต่ปัญญาตัวไหนพ้นทุกได้ใช่ใช่ไม่ใช่ออกแค่วันเดียวนะนี่ลัทธกาด และไม่หวนคืนกลับมาสู่ทุกข์อีกเลยนี่รันการไม่ได้หมายถึงว่าเที่ยงที่จะมาเพราะคือตลอดจิตนั้นไม่กลับมาอีกเลยที่จะทุกข์อีกนั่นคือปัญญาวิมุตติธรรมาบอกเอออนุภาพของท่านเหล่านี้จะไม่ถูกทําลายและจะไม่ทําลายด้วยกี่พันปีกี่หมื่นปีอีกกี่แสนปีหรือกี่กับกี่กัน สิ่งนี้ยังอยู่ต่อใครพอตรัสรู้ใครพอบรรลุคุณธรรมชั้นสูงได้รับอิสระภาพจิตอันหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองชัดเจนจิตหมดจากเครื่องเศ้าหมองบริสุทธิ์มีอิสระและความติดอยู่ในตัวในตนความมีความเกิดความเป็นนั้นสลายหมดเลยจี่บอกใคร จะฆ่าท่านท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านจะต้องตายเพราะความตายเป็นธรรมะจิตอย่างนี้ยากที่เราจะเข้าถึงนะและยากจริงๆแต่มาเคยตั้งข้อสังเกตน่อยว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติวันดีแล้วก็ตามถ้าสมมตินสมมตินะคนที่รักถูกรังแกต่อหน้าต่อตา หรือถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาหรือถูกเหยียบย่ำต่อหน้าต่อตาแล้วเราก็ยืนอยู่ที่ตรงนั้นระหว่างจิตที่หลุดพ้นยืนดูอยู่เราต้องทําประการใดจะบอกเป็นกรรมหรือหรือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปแตามาตอบไม่ได้นะั่นหรือเดินหนีเสียโดยเราไม่ทําอะไรเลย ก็ไม่ใช่พอย้อนคำนี้มาดูเรื่องของพระวิฑูธาภะพระเจ้าวิฑูธาภะยกทัพมาเพื่อฆ่าชาวศักยะกันนั่นหมายว่าฆ่าตระกูลของพระองค์เลยนะเรื่องวันณะแท้ๆเลยเอาเลือดล้างกันนะการดูหมิ่นเยียบยามเนี่ยไอ้ความถือตัวเนี่ยเป็นตัวทมเรื่องนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่นิ่ง แต่ไม่ได้ร้อนรนทำไมไปทรงปรากฏเหมือนห้ามตราทับไม่ถึงสามครั้งพระเจ้าวิถุตภะพระเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ร, รู้เลยว่าพระองค์ขวางไว้ยกทับกลับความมีมานะที่ไม่ลดละที่จะต้องฆ่าสักยะที่ดูมินรบในเรื่องของโคตเรื่องวันนะ เรื่องวันนักษัตย์ครั้งที่สองปรากฏพระพุทธเจ้าก็นั่งประทับอยู่ครับพีกพอครั้งที่สามพระองค์รู้รู้รู้แล้วว่าเราไม่สามารถหยุดกรรมนี้ได้ต้องชะลอยไปตามเหตุของกรรมนั้นๆเหมือนน้ำาระจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถึงจะกระทบโขดินเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆ มันเป็นเช่นนั้นพระองค์ทราบจากนั้นมาพระองค์ไม่มาอีกเลยพระเจ้าวิถุตภะกรีธาทับใหม่รอบหนึ่งฆ่าสกยะให้หมดพระพุทธเจ้ารู้ไหมรู้ทราบไหมทราบแล้วทำไมปล่อยให้พระยุรยาถูกฆ่าฤทธ์ก็มีปฏิหารก็มี หยุดกรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าทราบเรื่องวิถีกฎแห่งกรรมแต่ไม่ใช่ไม่พยายามนะพยายามถึงสามครั้งแล้วนะโยมต้องไปคิดเองเรื่องนี้อีกตอนหนึ่งจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงต่อพระอนุนตรัสวอกอนุนเราจะเข้าสู่นิโรธสมบัติ ในระหว่างนี้ไม่ให้ใครพบไม่ให้ใครเข้ามายุ่งไม่ไม่ให้ใครเข้ามาพระองค์ก็เข้าสู่นิโรธสมาบัติในระหว่างที่เข้านิโรธสมาบัติพระพิสูจน์จ้างให้ผู้อื่นฆ่าตัวเองตายกันไม่รู้เท่าไหร่คือความเบื่อหน่ายที่เหตุบวกกับวิบา ก, กรรมด้วยส่วนตาย พอพระพุทธเจ้าออกมีผู้มาทูลถามว่าพระองค์มิทราบหรือที่มีพระพิกษุจ้างให้ผู้อื่นฆ่าหรือวานฆ่าตนเองให้ตายพระพุทธเจ้าตัดยังไง ร, รู้ไม่บอกทราบทราบดีด้วยเมื่อพระองค์ทราบทําไมจึงม่ห้ามเสียเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น เห็นไหมพวกเราก็ต้องถามกันอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบเหมือนคนที่ไม่รู้ตอบอย่างสัพพัญยุตยญาตเพราะทราบเราจริงเข้าสู่เวทินิโรธสมาบัติเพราะทราบด้วยเหตุว่าพิสุเหล่านี้เคยเป็นในพรานทั้งสิ้นจบไหม นักฆ่า น, น, นั้นเลยกรรมวบิบากรงนั้นก่อนจะถึงมรรคผลนิพพานกรรมนี้ไม่ไปไหนอย่างพระโมคคลาอีกตอนเป็นอรหันต์แล้วถามว่าหลุดพ้นกรรมไม้ยังกรรมนี้มีผลแต่มรรคผลอีกเรื่องหนึ่งต้องถูกทุบตีก่อนเป็นอันว่ากรรมนี้สิ้นสุดลงและยุติลงอย่างสวยงามมากและ พรโมคลาเราก็รู้ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์ไม่ด้อยกว่าใครในบรรดาพระอาศิติมาสาวกเป็นเอกทัทธะด้านมีฤทธิ์เป็นเลิศแต่ต้องมาสรุปว่าต้องให้โดนทุ์พรโมคลาไม่ใช่อยู่ให้ทุบนะมาก็หายตัวไปตั้งหลายครั้งนะพวกโจรห้าร้อยก็ไม่ได้ลดละ สุดท้ายพระโมคคลาก็รู้ว่าชะตาชีวิตวิถีกรรมชักนำาให้ถึงจุดนี้เราต้องควรยอมรับโอ้สุดยอดเลยยมกล้าไหมเขาจะมาฆ่าเราบอกเชิญที่วิ่งกันไม่รู้หน้าต่างหรือประตูแล้วโยโดดขาหาักไปโน่นแล้ว แล้วก่อนตายดีไม่ดีใจต้องพยาบาทต่ออีกนะว่าเขาฆ่าเราแต่เราไม่รู้ว่าเราเคยฆ่าเขาเราเคยทุบตีผู้เ็นบิดามันดาอนันตาริยกรรมหนักตรงเนี้ยตามชาติมากี่ชาติผิดพลาดชาติเดียวใช้กันเป็นแสนเป็นกลับเป็นการเป็นเอเนกอนันตชาติถ้าคนรู้เนี่ยสยองนะเรื่องกรรม ไม่ใช่ธรรมดานะสซยองนะเรื่องกรรมเนี่ยนะมันยาวนานยาวนานมากมากแต่มาว่าทะเลไร้คลื่นเนี่ยนะยังง่ายกว่าที่จะบอกเราชดใช้กรรมหมดแล้วยไมไปเฝ้าดูทะเลมาร้ขคลื่นเมื่อไหร่ถ้ายมเฝ้าตัางแต่เริ่มจำความได้จนใกล้าตายโยมก็คงจะสรุปว่า เราไม่สามารถจะมีอายุที่จะแลเห็นทะเลไร้คลื่นแต่กรรมไม่เคยไร้ผลกรรมนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้เนะี่ยจะมาบอกสุดยอดและเยี่ยมยอดแล้วเลิศที่สุดแล้วเป็นการเฟ้นสิ่งที่ประณีตแล้วนะเดินตรงทางที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าบุญบา ร, รมีของเรา มันยังมีกรรมบิบกคอยดึงอยู่นะแต่บุญที่เราสะสมสั่งสมไว้เนี่ยไม่ไปไหนเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะนำให้เราถึงที่สุดความบริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองความเป็นอิสระปราศจากสิ่งกรึงรัฐมัดให้ติดอยู่ในภพ และความไม่มีตัวตนที่ต้องมาเจ็บมาโกรธมาเครียดแค้นมาพยาบาทมาอาฆาตอยู่กับบุคคลที่เขาคิดทำร้ายเราคำนี้ยากยากนะคนที่คิดทำร้ายเราแต่เราไม่คิดทำร้ายตอบแต่มาบอกกระแสพระอริยะเบื้องต้นมันน้อยไปนะมันมากกว่านั้นนะ เพราะใจนี้ก็ถือว่ายอมรับในสิ่งที่จะเกิดแต่ไม่โต้อตอบสิ่งชั่วที่จะเกิดแต่มาว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาของเราแค่เหยียบเท้าก็มองหน้าไม่ยังไม่ขอโทษใช่ไหมเอาแหละขนาดบอกยังไม่ขอโทษใช่ไหมเอาไงโหเจ็บเท้า โกรธแต่เวลาโกรธเขาชักมีดจะวิ่งไปให้เขาเสียบนะไม่กลัวเจ็บใช่ไหมพอมีเรื่องวิ่งกระโดดตึกจากชั้นสองลงชั้นหนึ่งไม่กลัวเจ็บใช่ไหมแต่ตอนเหยียบเท้าบอกทนไม่ได้คิดใหม่คิดใหม่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังไม่ยอมในเรื่องใหญ่ๆโตๆใจมันก็ ยอมไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้เราทบทวนกันทบทวนการภาวนาว่าเราภาวนาได้เพียงความสงบหรือได้ธรรมะยิ่งกว่าดูด้วยไม่อย่างนั้นวันหนึ่งเราสงสัยปฏิบัติธรรมทำไมใจยังโกรธหลายคนก็สงสัยพวกเรานะ แต่ตมบอกไม่ต้องสงสัยเพราะเรายังเป็นปูุ้ชนง่ายๆ ย, ยังไม่ได้บรรลุแต่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองว่าความเป็นผูริดชนเนี่ยว่าเราจะทําอย่างไม่มีกรอบไม่ใช่เพียงแต่ว่าใจของเรามันยังสนองในบางอย่างที่บีบคั้นตัวเองแต่ถ้าเราจเจริญสติไปเรื่อยๆเรื่อยๆตมาเชื่อเลยว่าพอโกรธเกิดปุ๊บตัดปุ๊บ โกรธตัดมันจะเร็วขึ้นนะสังเกตดูนะใจของเราทุกวันนี้ที่ภาวนาอยู่เนี่ยแม้น้อยใจปุ๊บปุบสติมาปุ๊บมันพยายามเอาธรรมะมาขม่มมาสอนมาอบรมเนี่ยคือบา ร, รมีที่เรามีธรรมะเลยนะมันจะตัดต่อเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอายมลองลองไปดูเนี่ยทะเลาะใครโกรธกรธใครดูนะไม่นานหรอกสติมันตามนะเด็แล้วก็รู้สึกด้วยนะว่าผิดไม่น่าหรือว่ามันเร า, ามันน่าจะ อดทนก็่านี้ดูเหมือนเราจะเริ่มสอนตัวเองมากกว่าที่จะบอกให้คนอื่นทําตามเราแต่มาเห็นเยอะเลยตรเนี้มันก็ค่อยเห็นเห็นเห็นเห็นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่เขาว่าจนถึงสติอันตั้งมั่นไงบรรลุเนี่ยมันไม่ฟุกนะไม่ฟลุกถ้าใครบอกฉันฟลุกมาได้บรรลุมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแต่มาบยมกลับไปชักเบอร์ใหม่ด้วยก มันไม่มีฟลุกไม่มีไปจับฉลากใหม่ก็ไม่มีมันต้องถูกร้อยเรียงจากจิตสู่จิตและค้นหาจิตอันเป็นจิตภายในจนถึงวิสุทธแห่งจิตตรงนั้นบรรลุไม่อย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่จริงๆนะ มีใครบอกฉันหลับฝันไปพระพุทธเจ้า ม, มาโปรดฉันสว่างหมดเลยนะตื่นขึ้นมาจิตฉันเนี่ยไม่มีกิเลสแล้วยอมเชื่อไหมอะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะมาจริง่งไม่เชื่อไม่เชื่อให้อมน้ำมนตมาด้วยไม่เชื่อมรรลุตอนฝันเนี่ยนะโอ้โหใน ในพุทธประวัติไม่มีไม่มีมันหลงได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ฝันต่อเลยกันพรุ่งนี้อาจจะฝันว่าเสือไล่กัดก้นก็ได้มันก็ฝันไปเรื่อยใช่ไหมเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยแต่ของจริงสติกับใจเนะี่ยต้องรักษานะอารมณ์กับจิตต้องดูแลเหมือนอาหารกับร่างกายนะเราต้องรู้ว่านี่ปลอดนะปลอดภัย ไม่มีเชื้อโรคและก็ไม่แสลงต่อร่างกายของเราบางคนอาหารบางอย่างแสลงนะใจของเราถ้ามันแสลงอะไรหลีกได้ก็หลีกบ้างมันแพ้ทางไงยมเชื่อไป้นนักมวยนะที่เขาบอกเก่ง ๆ, ๆเนี่ยพอเจออีกคนหนึ่งมันเหมือนแพ้ทางเลยหมดรูปเลยจิตของคนเหมือนกันระว่างมันแพ้ทางเหมือนกันแพ้ ยมชนะเก้าคนคนที่สิบยมแพ้คนเนี่ยยมดูนักรบนะแม่ทัพใหญ่โอ้โหพอเข้าสู่สมรภูมิรบกระสุนผ่านอกไม่กลัวเขาว่าตายแต่พอ ก, กลับบ้านกลัวกลัวเมียไปแพ้ท่านไหนทรรมาไม่รู้แต่สรุปว่ากลัวถือมีถือดาบมาไม่กลัว สองสามคนก็มาเมียไม่ถืออะไรมาเล ย, เยชี้หน้านะนะั้นนหะยอมแล้วยอมแล้วกลัวมันแพ้กันฉะนั้นจิตของเราก็ต้องดูมันกันาเราแพ้อะไรหลีกซะก่อนรักษาให้ดีพอเข้มแข็งดีแล้วมันก็จะรับสิ่งนั้นได้ แต่ตอนนี้เรายังไม่แข็งแรงก็ก็ยังป่วยยมไม่ตากผลทำไมรักษากินยาให้ดีซะก่อนมันก็เป็นอย่างนี้เอานะสมควรเวลาในการบรรยายขอจุติแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเธอ